พุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่6วิชาวิมุติวิสุทธิสันตินิพพานประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตนี้สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห5สิหส่งอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีตัวอย่างเนื้อหาภายในความสุขที่ไม่ต้องหา กระบวนธรรมะดับทุกวงจรยาวและวงจรสั้นภาวะแห่งนิพพานคำแสดงคุณลักษณะของนิพพานข้อความบรรยายภาวะของนิพพานภาวะของผู้บรรลุนิพพานรวมพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องกับนิพพานเรื่องภาวนาสีการพัฒนากายศีลจิตปัญญาแล้วเรื่องภาวิสีคุณสมบัติของภาวิตั คือผู้ได้พัฒนาตนแล้วจบการฝึกอบรมตนแล้วจัดทำโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินธวัฒนชนลดาพรมเดชภัยบุญพันละภาพุทธจันทร์เจ้าภาพรองสิงทองเหลืองเจริญกิจเจนวิทย์เหลืองเจริญกิจกอนสนันเหลืองเจริญกิจค ร, รอบครัวอิ่มวงศรีรักสมนิครธรรมนิตยาจันทราโชตชนิการอัสวะกวินทิพนัตชัยสถิตพงภัยบูุ์ ยานินเวียงเกต ร, รอบรัวอริยตรกูลรอบรัวทรงพลพนอมรักเพชรเสถียรพัทธิราชังพินิตรร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง